พุทธวัสวัสดีค่ะท่านฝัง่งที่เคารพค่ะเราก็อยากจะให้ท่านได้พบความสวัสดีจากพุทธวัจนะนะคะจึงได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นพุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอดมาเสนอกันอยู่เป็นประจำที่รายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุในเครือของ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีนี้โดยมีดิฉันสัรสนีนาคง์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเริ่มต้นรายการท่านยังตื่นมายังไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจให้ขุนมัวก็อยากจะให้ได้เจริญสติกันนะคะได้นิมนต์พระอาจารย์มาร์คชาคาวโรแห่งวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะที่จะมาพบกับท่านฟังในช่วงแรกเลย นกกามสกัคงค์คะท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้เราก็มาปฏิบัติเจริญอาณาปานาสติทําความเพียเพรเผากิเลสกันต่อพร้อมกับทางฟังพุทธวจนะคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เราก็มาเจริญอาณาปานาสติด้วยการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหากจิตหลุดไปคิดในเรื่องอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ ก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียแล้วตั้งสติอยู่กับลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกายหากไม่ได้นั่งสมาธิอยู่สำหรับพุทธวจนะที่จะให้เราได้ฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องของขันห้าอีกเหมือนกันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้กับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ปุตุชน ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนาในธรรมของสัตบุรุษย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งรูป โดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีรูปหรือตามเห็นพร้อมซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูปบ้างย่อมตามเห็นพร้อม ซึ่งเวทนาโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีเวทนาหรือตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนาบ้าง ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญาโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสัญญาหรือตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญาว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญาบ้าง ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสังขารหรือตามเห็นพร้อมซึ่งสังขารทั้งหลายว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังขารทั้งหลายบ้าง ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีวิญญาณหรือตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณบ้าง ภิกษุทั้งหลายปุทุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังนี้เราเรียกว่าผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือรูปบ้างคือเวทนาบ้างคือสัญญาบ้างคือสังขารทั้งหลายบ้างคือวิญญาณบ้างเป็นผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพัน ทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ไม่เห็นฝั่งนี้คือวัตตะสงสารเป็นผู้ไม่เห็นฝั่งน้นคือนิพพานเกิดอยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันแก่อยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันตายอยู่ อย่างผู้มีเครื่องผูกพันจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นอย่างมีเครื่องผูกพันภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เสวบมัวเมานันทิคือความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับไปแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานต์อุปายาสัตทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราละความเห็นขันธน์้าทั้งหลายด้วยความเป็นตนเสียเพื่อให้เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันการที่เราละความเพลินในขันธ์ตั้งห้าจะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นหมดไปและสามารถนาไปสู่ความดับลงแห่งกองทุกได้ทั้งปวง สําหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแค่เวลาใครจะออกจากสมาธิก็ทําได้ใครใจอยู่ในสมาธิแล้วก็ฟังในช่วงต่อไปก็ทําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติกันต่ อ, อ, อกลับเรียนถามนะคะในพุทธว จ, จนะนี้หมายความว่าถ้าเราเนี่ยได้เอาทุกอย่างมาเป็นตัวเราหมดเห็นว่าร่างกายนี้ของเรา ชเสียงนี้ของเราเราชอบเราไม่ชอบเราเฉยเฉยเราจําได้ใช่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเราคาด<บ>หวังอะไรปรุงแต่งตไปใช่ไปคิดว่าเราจะมีตัวเราอยู่ในนั้นเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวเราแล้วก็จะพระพุทธเจ้าก็เปรียนว่าเราจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างมีเครื่องผูกพันค่ะคือถ้ามีเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในขันทั้งห้าเนี่ยใช่ทุกยังอยู่ใช่ต้องลัให้หมดซึ่งมันสวนกับ ความรู้สึกของเราตอนนี้ค่ะคือเกิดมาเป็นมนุษย์<อ>ยึดทั้งหมดใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ละให้หมดใช่ไหมคะ<อ>ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้กันไปกับพระมาร์คชาคาวโรในช่วงต้นของรายการวันนี้นำ้ำมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ <S <S จริญพร